ขอนอกน้องต่อปารันไตรขอวไว้ความเคารพมปยังน้ำพ่อกรมพูเป็นประธานกันนะนี้ขอโอกาสประเตยราโนเตยราและคณะสงอ์เจริญพรไปยังคุณแม่จีวาโซเปสิกาในการทำและผู้ที่มาร่วมธรรมเจ้า ในวันนี้ทุกๆรทุกท่านเราก็ต่อวัดสวดมนต์กันเอาความเชื่อสตานําสวดคําที่เราเชื่อกันว่าองค์สมเด็จสัมมาจารย์ได้พูดอย่างนี้แหละสองพัน ป, ปีที่ผ่านมาแล้วก็น้อมมาเป็นวันนี้ ขณะนี้ด้วยของเรากันวิตของเรามีกายมีใจเราอยู่ในโลกใบนี้มีรูปธรรมนามธรรมมากมายเราจะต้องเกี่ยวข้องกับกายกับใจกับสรรพสัตว์สรสรพ ส, สิ่งโดยสติ้วยปัญญาด้วยความรู้สึกตัวเราต้องฝึกหัด ธรรมชาติที่เรียกว่าความรู้สึกตัวในใมันถี่ให้มันละเอียดสติปัญญาตาในที่มันคมรู้กายเห็นกายทางความเป็นจริงเห็นสภาพธรรมที่มังกรปลากดตามความเป็นจริงเรียกว่าตรงเรียกว่าซื่อตรงต่อสัจธรรมแล้กวก็ซื่อซื่อสัตว์สัจธรรมที่มังปรปลากด มันกําลังแสดงตัวอยู่ตลอดเว ล, เวลาในเรื่องของความคิดการปรุงกันแต่งเคยหลงเกยเผ ล, ลอบ่อยๆวันนี้เรามาฝึกมีควา ม, วมรู้สึกตัวก็รู้สึกตัวได้บ่อยๆผ่านอารมณ์ต่างๆได้บ่อยๆมีความชํานาญเช่นรู้สึกตัวเคลื่อนไหวพลิกมือสร้างจังหวะโดยนจงกรมลมําง่วง มันก็ผ่านได้ไวขึ้นไวขึ้นเห็นชัดเจนไม่เบื่อไม่นายมาแล้วมาอีกก็ผ่านแล้วผ่านอีกมันก็ตรงตรงตรั้นัสั้นสั้นมีความคิดปรากฏขึ้นมาแล้วว่ากลับมาสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวมันตรงตรงตรัดรัดสั้นสั้นทันทีทันใดเลยพริบตาเดียวเราก็ฝึก หลายวันหรือว่าหลายเดือนหลายปีก็ตามก็คือความรู้สึกเตรียมมีจากน้อยไปหามากความว่องไวกล่องตัวเป็นไหวปิบเป็นปฏิพานเป็นคุณธรรมต่างๆมันมีความอดทนมากขึ้นหรือว่าตนทําในสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนความรู้สึกตัวไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไ, ไม่สัมผัสมันก็ไม่รู้สึก เราก็มรู้สึกต่อการสัมผัสการเคลื่อนการไหวนะมันก็มีเอยอะบทนั่งเดินยืนนอนเนี่ยแหละผลิตความ ร, รู้สึกตัวโดวยที่เราต้องใส่เจตนาลงไปเบื้องต้นเจตนาที่สมัมผัสเจตนาที่รู้สึกเราจะค่อยๆเห็นความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นเองมากมายเลือเกินแม้ก็ทั้งนา ม, มารมก็ตามเพราะฉะนั้นทำมากมันจะเป็นอย่างนี้แหละสัมผัสได้ทุกคน ทำมาไม่จะต้องดีจริงๆปฏิบัติแล้วไม่ทุกทำมาไม่จะต้องเป็นประโยชน์มันมีคุณธรรมต่างๆมากมายในความรู้สึกตัวรู้สึกตัวก็ทําประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ท่านเป็นความรู้สึกตัวนําเป็นสสยธรรมที่มันเป็นไปได้มันเป็นความจริงเืมันเป็นไปได้ทําแล้วมันจะต้อง เดินไปสู่ทิศทางที่เป็นความไม่เสื่อมของชีวิตนะเนืเกิดนืนแก่เนืน เ, นนเจ็บนืนตายมันเป็นไปได้พรรู้สึกตัวเป็นสภาพธรรมที่มันละเอียดมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในตัวเสร็จเป็นสภาพธรรมที่แต่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันจะต้องได้สัมผัสเนื้อธรรมละเอียดขนาดไหนก็ตามเป็นนรมธรรมก็ตามความคิดที่เป็นโรงงานผลิตความทุกข์ มันเกิดขึ้นที่ยิบทุกๆกันนะล้วก็เห็นแล้วเราก็ไม่เข้าไปเป็นในความคิดต่างๆมากมายเป็นสมมุติบัญญัติเป็นโลกทั้งใบเนี่ยเป็นภาษาพูดในสมองพูดคนเดียวกลางคืนก็ฝันกลางวันก็คิดนอนหลับมันก็ฝันมันก็พูดของมันอยู่ในหัวสมองในหัวก็โลกจิตปัญญาของเราก็ไม่ได้พัก กลางคืนนอนนอนพักกายแต่ว่าใจไม่ได้พักก็นอนไม่ยิ่เราก็จะได้เห็นได้ฝึกได้หัดทุกเวลานอนก็นอนทักเวลาตื่นก็ตื่นทุกเวลารู้สึกตัวมันก็รู้สึกตัวของมันเองตืนเช้ามามันก็มีความรู้สึกตัวแล้วมีไหมเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาเมื่อตื่นขึ้นมามนก็จะเห็นตัวเองนอนหายใจแผ่วๆยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ทีกวัน เราจะได้สัมผัสออหลังก็ทบพื้นทัง้งหัวท่้เท้าจิตก็สงบอยู่นิ่งอยู่รู้เนื้อรู้ตัวชัดเจนเห็นจิตมันปกติลอค่อยๆลุกขึ้นมาเมื่อก่อนเคยตามความเคยชินลุกปวดแปา่ขึ้นมามนก็ค่อยๆลุกอย่างมีสติกํากับอยู่เห็นการเคลื่อนไหวมาลุกขึ้นมานั่งสํารวจดูเลื่อนลมฉีดดี ไม่เวียนหัวไม่มินหัวไม่งอกง่วงมันก็สังเกตได้มันก็ลุกขึ้นมามีสตินะเดินออกมาจากห้องเข้าห้องน้ําจะทําอะไรก็ตามก็เห็นละมัน ม, มีความรู้สึกตัวทั้งหวัวจรดเท้าวนะชัดอันนี้มันเป็นการฝึกกันที่เราฝึกกัดจากรูปแบบยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมเระมาที่นี่วัดปา่าสุกโตเราก็ฝึกกัน ก็ทั้งมันเป็นในชีวิตประจําวันของเราจะทําอะไรก็ตามมันก็มีความรู้เนื้อรู้ตัวทั้งเจตนาทั้งไม่เจตนามก็เป็นความรู้สึกตัวได้ตรงนี้แหละมันจะเป็นการพัฒนาเป็นการภาวนาให้จิตใจของเรามันจเจริญในความดีความงามจนเห็นความจริงบางทีมันก็คิดดีบางทีมันก็คิดไม่ดี คิดเป็นบุญคิดเป็นบาปคิดเป็นกุศลคิดเป็นอกุศลเป็นความฉลาดไม่ฉลาดมันก็คือตัวคิดนะใหม่ๆเราไม่ยุ่งกับมันเลยนะมันจะเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วเรามารู้สึกที่กายการเคลื่อนไหวสัมผัสติกายแต่ละขณะเนี่ยจอต้องมันรู้ตัวตัวพร้อมต้องหัวจะหลอดเท้ารู้ตัวสารพางกายตรงนี้แหละมันจะสนุกมันจะอร่อย ทำแล้วมยังมีธรรมรสปรากฏขึ้นมาให้เราได้สัมผัสเช่นความอิ่มใจอย่างเง้ยนะความตั้งมั่นจิตมันเคยวอกแวกมันก็สงบนิ่งขึ้นมันเคยมัวตัวงอกง่วงมันตื่นตัวขึ้นไหม แ, แจ่มแจ้งจ้าขึ้นไหมจิตใจก็ป่องใสว่องไวขึ้นไหมมันเป็นความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็เลยได้เห็นที่ตัวเราที่กายที่ใจเนี่ย แต่ว่าดูกายมันก็มีสุขมีทุกข์ปรากฏขึ้นมาตั้กายนั่งเจ็บปวดเมื่อยเดี๋ยวหิวน้ําเดี๋ยวกระหายน้ําเดี๋ยวปวดปัสสาวะเดี๋ยวปวดอุจจาระเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวชาเดี๋ยวเน็บมันก็จะมีอาการแสดงออกมาเป็นทุกขเวทนาแล้วว่าเกี่ยวข้องด้วยความรู้สึกตัวกับมหาความรู้สึกตัวถ้าจะผ่านก็ผ่านด้วยความรู้สึกตัวถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนด้วยสติ บางทีจิตมันก็แสดงออกมาถึงความทุกข์มีอารมณ์โงดหงิดมีความเกลียดมีความเบื่อมีความโกรธโมโหโทโสมีความน้อยใจมีความเหงามีความว้าเวมาแสดงออกมาในรูปรอยของอารมณ์บางทีก็มีความคิดซ้อนๆเข้าไปเราก็กลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวกรรมฐานของเราเป็นาธาตุกรรมฐาน กรรมฐานทําให้เห็นธรรมชาติสัมผัสรู้มันเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นธรรมชาติที่พึ่งได้เป็นมรรคเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลเพราะฉะนั้นวิถีของชาวพุทธมันก็จะเจริญสติกันเป็นทางเอกเป็นทางเดียวตัวการพ้นทุกข์มหาสติฐานสุดมีสติเห็นกายในกายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขา มันจะได้คําตอบตรงนี้หายสงสัยแต่ว่าใหม่ๆมันทำมันจะเอ๊ะอะไรเอ๊ะอะไรเอ๊ะเรามาทำอะไรเอ๊ะไหนความรู้สึกตัวเอ๊ะไหนสติอะไรคือปัญญาอะไรคือธรรมะลัทธธรรมนามธรรมมากมายมันเอ๊ะเออยู่แต่พอมันรู้สึกตัวแปลมันก็อ๋ออันนี้ก็คือกายดุนก้อนเคลื่อนไหวอยู่รู้สึกตัวอยู่อ๋ออันนี้ก็คือความคิดมันก็รู้จักมารู้เท่ารู้ทัน แต่ว่าใหม่ๆมันไม่ทันหรอกคิดจนจบแล้วบางทีก็ไม่ทนันบางทีก็ไปทันตอน ป, ปลายปลายตอนท้ายๆของความคิดบางทีก็จะไปทันตอนกลางๆคิดสักพักหนึ่งไปรู้เท่ารู้ทนันนบางทีคิดปรับรูป้ปุ๊บคิดปรับรูป้ปุ๊บเนี่อันนี้ขึ้นอยู่กับความแ ย, ยบกายของผู้ปฏิบัติมีการสำรวมระมัดระวังไม่พุ่งออกไปนอกตัวทางตาทางหูจะมูกลิ้นทางกายทางใจ มันกลับมาหาสัมผัสรู้ที่ตัวนะความรู้สึกที่ไกลที่ใจของเราเนะี่ยมันจะใกล้เข้ามาใกลกับสภาพธรรมที่มันเป็นจริงที่สุดแล้วใกลกลับมรรคผลใก ล, กล้กับนิพพานตัวกั้งที่จิตปกติเกิดจากการสัมผัสรู้ความรู้สึกเนี่ยตัวนี้แหละมันจะทึ่งมันจะอัศ จ, จรรย์ใจคําสอนมันเป็ของเรื่อนลอยมันเป็ของที่จับต้องไม่ได้แต่มันของที่ทุกคนถ้าได้กลับมานะ หาหลักหาฐานการเคลื่อนการไหวทุกๆกันนะมันจะได้หลักของการปฏิบัติขึ้นมาเป็นมกักเป็นผลไปมันก็สมัยพุทธกาลเนี่ยขออ้างนิดหนึ่งตอเราได้อ่านแล้วก็มีการสังเกตในคำพูดในคำเขียนเช่นปัจฉิมโอวา่าอย่างเงี้ยจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเกิด มันเป็นคำพูดที่โอสมเด็จสมานเจ้าสอนธรรมะมา45ปีแต่ว่ามีบทสรุปว่าตนทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเติดในวันนั้นมีสุพัทธาปริภาชกนะซึ่งบรรลุเป็นพระรหัสหลังจากที่ทราบว่าโอสมเด็จสมาเจ้าจะเสด็จดับกันมณนิพาลก็พยายามแวกฝูงชนก็ไปเข้าเฝ้าพรนอนก็สั่งห้ามาไว้ ขณ น, นี้ไม่ใช่เวลาที่ควรจะเข้าเฝ้าให้องค์สมเด็จสัมาวุเจ้าได้มีสละอยู่กับตัวเองได้พักพ่อนแต่องค์สมเด็ดสัมาวุฒเจ้าเห็นว่าสุพัทธปริพาชกนีมีความตั้งมั่นแล้วก็สามารถที่พัลุธรรมได้ก็ให้เข้าเฝ้าสุพัทธปริพาชกถามเรื่องของเดรัลทีต่างๆ เป็นวิชาที่นอกเหนือจากธรรมะกะวิในผู้ศรัทธาได้ชี้อทเสมอเสมาเจ้าก็เลยบอกว่าอย่าไปรู้เลยวิชาของเดรัจฉีต่างๆให้รัดสั้นๆลงมาที่กรรมฐานเธอจงไปเดินจงกรมมาไปเดินจงกรมแล้วก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวมีสติสุภะตท้าก็ไปทําตามก็มีการเดินจงกรมตามการแสงจันทร์ ขึ้นส5บห้าค่ำในวันเพ็ญเดือนหกเสร็จแล้วก็เห็นพระจันทร์นีมันแจ่มแจ้งจ้าสว่างสวยอยู่ขณะนั้นเองมีเมฆหมอกมาคลุมมาบดมาบางับางมันก็มมวหมองออเหมือนจิตใจของเราเดิมแท้นี่ยประพัดสอน่องใสแล้วฮะมันมีอุปกิเลสมีิเลสจรมามาบังให้จิตใจของเราเศร้าหมองไม่ฟองใส สักพักหนึ่งเมฆมองก็ผ่านหายไปพระจันทร์ก็แจ่มจ้าขึ้นมาดังเดิมมันก็เหมือนกับจิตใจของเราความประพัฒน์สอนองใสมันมีอยู่แล้วในตัวเราแต่ก็มีอารมณ์มีความคิดการปรุงกันแต่งจรผ่านก็มาให้ใจใจของเรามันเศร้ามองเกิดความไม่ปองใสขึ้นมาแต่เข้ามาแล้วก็ก็ไปเมื่อเราจเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราก็จะได้เห็น สภาพธรรมแบบนี้มันเกิดขึ้นมาในตัวเราบางทีความง่วงมันก็จอนก็ามาแล้วมันก็ผ่านไปนะเป็นเพียงแค่สภาพธรรมธรรมดาธรรมดาไม่ต้องไปผักใสไล่ส่งมันมาเดี๋ยวมันก็ไปมันแพ้ภัยด้วยตัวของมันเองเราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทําอะไรเพียงแค่รู้สึกตัวรู้สึกตัวทําหน้าที่หนึ่งเดียวขณะเดียวนะไปเรื่อยๆรู้สึกตัวเชื่อมโยงต่อเนื่องไปเรื่อยเื่ ขณะนั้นเองสุพทาบริาาบาจบว่บรรลุปเป็นพระราหันไปนั่งอยู่ปลายเท้าขององค์เต็มเด็ดสัมมาขเจ้าจะต้องดับขันบริาพานไปเป็นพระสองอ์รูปสุดท้ายโงคสมเด็จสัมมาขเจ้าก็เห็นแล้วรู้ว่าสุาพัทาบริาาบาจบว่บรรลุปเป็นพระราหันเขาบอกว่าท่านเป็นสัปนะในเมืองต้นปฐมสัปนะก็คือสามารถที่มารู้โสดาบัน จะดังเป็นตุติยะสมณะครั้งที่สองก็บรรลุเป็นสติธาคามีเป็นตติยะสมณะเป็นผู้สงบในขั้นที่สามเป็นพระอนาคามีเป็นจตุสมณะเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนระดับขั้นจทั้งเป็นพระอรหันต์อันนี้ก็คือเกิดมาจากวิปัสสนากรรมฐานเหมือนกับเราที่มานะ มัดป่าสุขกตแล้วก็ชีน science, ้นําเรื่องวิปัสสนากรรมฐานให้มีการเคลือ่อนการไหวรู้สึกตัวที่กายเราจะได้เห็นจิตสมาอาศัยกายอยู่เหมือนกันเหมือนกับเป็นถ้าเป็นขูหาน แ, แล้วเข้าเข้าออกออกเข้าๆออกออกเราก็จะได้เห็นมันรัดรัดสั้น ๆ, น ต, รๆ ต, รตรงๆเป็นตัวชีวิตชีวาของเราที่เราจะต้องพึ่งต่อไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนเป็นกําไรชีวิตของเราที่ผ่านไปแล้วทําดีทําชั่วแล้วก็แล้วไป แต่วันนี้เราเจริญสติกรรมฐานเพื่อเกิดกำไรชีวิตเพื่อวันหน้าจะได้อยู่อย่างผาสุกเนื้อเกิดเนื้อแก่เนว่าเจ็บเนื้อตายเนื้อทุกมันเกิดขึ้นได้มันไม่ใช่ของเล่นล อ, อยไปนะั้นเราไม่โอ้ยไม่ต้องชักแม่น้ำทั้งห้าหรือว่าเสียเวลาเวลาขี่ม้าเรียบเมืองกันมันววานล้วใครฟังอาจารย์ตรงขาด้านเทศเนี่ยมันรับสั้นๆตรงๆเล เริ่มต้นเอ่อยมากชกเลยให้รู้สึกตัวไม่ต้องไปโอเออารมณ์ประหมอะไรมากแล้วก็พากันทําด้วยให้สิ่งได้ยินได้ฟังนะน้อมเอามาทําทันทีเดี่ยวนี้เลยรู้สึกตัวกันเคลื่อนการไหวไปหรือว่าลมหายใจกับวิบตาลมมากระทบหรือว่าผมมากระทบเสื้อผ้ามากระทบรู้สึกได้เสียงมากระทบที่หูก็รู้สึกได้ มันทันทีทันใดทันควันมันไม่ทุกทันทีจิตปกติทันทีกับสู่ปัจจุบันขนะที่กายที่ใจของเราที่นี่เดียวนี้ทันทีมันก็จะไม่ทุกทันทีแล้วจะอะไรอีกชาวพุทธเราความรู้สึกตัวหนึ่งเดียวเป็นทั้งสติความรู้สึกตัวหนึ่งเดียวเป็นทั้งสมาธิความรู้สึกตัวอย่างเดียวเป็นทั้งปัญญามันรวมลงหมดแล้วสติก็คือศีสีนก็คือสตินั่นแหละสิ่งเดียวกัน ความเป็นปกตินั่นแหะคือศีลศีลคือจิลาคือสิริจิลาคือก้อนหินความงดงามก็คือจิริก้อนหินมันเข้มแข็งมันหนักแน่นมันเย็นบ้านไครถ้าปูด้วยหินอ่อนเนีบ้านนั้นเย็นเย็นอยอาเยือกถ้านาหนาวไปเยียบหินเนี่ยคนหัวลุกเลยใจของเราถ้ามีศีลก็เย็นแบบนั้นนะมันเย็นคนหัวลุกสู้ซ้าเลยทีเดียว ปฏิบัติธรมนถ้าเขาถึงตัวความหรือตัวน่ะปีติเกิดเลยทันทีมันจะทั่วสัลปางกายถ้ข่ขนลุกทั่วเนื้อทั่วตัวมันเป็นความสุขจริงๆปีติเป็นสุขพัฒนาจากปีติมากๆมากๆครับบ่อเบ่ยครัเป็นความสุขจะทั้งเป็นวัตสีเลยรเขาออกเขาออกเขาออกเขาออกตรงนี้แหละมันถึงจะอยู่คนเดียวเป็นมันถึงจะสงบงระงับมันจะไม่ไปวุ่นวายอะไรกับใครหรอกแล้วก็ไม่ใช่เห็นแก่ตัวใดๆมันประโยชน์ตน เห็นแก่ตัวอยู่คนเดียวไม่ได้คนเห็นแก่ตัวเนี่ยจะต้องมีเครื่องอยู่อยู่กับคอมพิวเตอร์มั่งอยู่กับการงานอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นมั่งมันจะอยู่กับการเคลื่อนการไหวไม่ได้เถ้าเราสังเกตอารมณ์ปฏิบัติได้พอมันปฏิบัติแล้ได้อารมณ์นะมันจะอยู่ตามช่องตามซองคนเดียวเงียบๆแล้วก็ไม่ค่อยพูดแต่ว่าจะยิ้มเย็นะมันจะยิ้มยิ้มยิ้มเย็นนะไม่ใช่ยิ้มแบบสยองร่อยซสย่นะซะย่ยิ้มที่ยิ้มแห้ง มันจะยิ้มเย็นแบบสดชื่นอยู่ข้างในยิ้มเป็นบุญอะนะรู้สึกก็ปลอดภไปทีนี้เราก็จะไม่คุกคีกันเราก็จะไม่เหมือนกับว่าผลกวายหาอย่างอื่นที่ไม่ใช่กรรมาฐานแต่ว่าในรูปแบบถ้ายังไม่เข้าใจเนี่ยต้องกรรมาหารูปแบบก่อนจนชิงทางจิตของเราเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอ น, น, น, น, ต อ, นนะอารมณ์ปฏิบัติรู้รูป ร, รู้นามก่อนมือนเมื่อคืนที่เราดูหลวงพ่ อ, เ, อเขียนกัน ไปไปฏิบัติไม่ได้ไปฏิบัติมัวตาถือแก้วน้ําปูเสือขวาถูสาราจนทางเนมาถามอาอายอา ย, อายมานานแล้วเนี่ยรูรูปน้ำแล้วบ่เนีโอ้ยังเลยเนนมาสิบวันแล้วยังไม่รู้เลยรูปน้ำเป็นยังไงอุ้ยเมนมาไม่กี่วันก็รู้แล้วนะคุยอวดซะด้วยเนเนะกคำพั ง, งเพยนี่มันเป็นก้อเป็นเวรเป็นภัยอะไรทั้งนัเป็นบาปเป็นกรรมปฏิบัติแล้วไม่รู้อะไรขเขาไปถามลงปู่เทียน มีไม่คนมาปฏิบัติแล้วไม่รู้อะไรครูพ่อเทียนก็บอกเลยโอ้ยไม่มีไม่มีเดือนแล้วเท่าไรล่ะถ้าทําแล้วไม่รู้อะไรจะจ่ายให้หนึ่งเดือนก็หนึ่งพันเงินเดือ น, นเดือนละพันก็จะจ่ายให้อยู่ทั้งปีจะจ่ายให้เลยจ่ายเป็นหมื่นก็จ่ายแม่มันท้าทายเราดีแท้พอฟังอย่างนี้ปั๊บมันท้าไทยถ้าทําอย่างนี้แล้วไม่รู้อะไรนะจะจ่ายตังค์ให้ แต่ของเราไม่ต้องเอาตงางคหรอกเพียงแค่ว่าอ๋อได้มีประสบการณ์ได้ลองผิดลองถูกดูมันก็สมกับค่าสมกับคุณค่าของวิสัยบัณฑิตที่รู้โลกกว้างรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามแล้วมันเป็นเรื่องของเขาหลอกเราลวงเขาลวงเราหมัวหนิ่มหรืวอว่ามันเป็นจริงๆถ้ามันมีอยู่จริงๆแล้วไม่ได้เปิดโอกาสไม่ได้เปิดใจรับรู้รับทราบรับฟังแล้วก็ปฏิบัติมันก็น่าเสียดาย เราจึงทดลองกันดูพลิกมือรู้สึกตัวพลิกมือรู้สึกตัวมันเป็นไปได้จริงๆตุกครั้งที่รู้สึกตัวมันออกมาจากความคิดเยความคิดเก่าๆปัญหาเก่าๆความทุกข์เก่าๆมันก็ตามมาไม่ได้แล้วพอเราหลบมาอยู่กับปัจจุบันกันนะทุกแนวอดีตก็คืออดีตมันก็ผ่านไปแล้วมาแล้วไปปัจจุบันนี้มันกลาเป็นชีวิตของเราล้วนๆอิสระภาพนั่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ทุกที่บ้านก็ไม่ได้ตามมาถ้ารู้สึกตัว ทุกที่ทํางานก็ไม่ได้ตามมาเพราะเรารู้สึกตัวทุกพ่อลูกพ่อหลานก็ไม่ได้ตามมาเพราะเรารู้สึกตัวจะทุกอะไรก็ตามจากของบนห่วงใยในอะนาคตมันก็ไม่มีเพราะาเราอยู่กับปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นการตอบเบื้องต้นของเราเนี่ยยิ่งทําไปได้อารมณ์ปฏิบัตินะมันเกิดมีปัญญาเห็นความสุขความเพลิดเพลินทำแล้วเพลินแล้วก็ไม่เอามันเห็นอย่างนี้เกินมา ปกติเราก็ทาอะไรก็ต้องการความสุขความเพลิดเพลินทําแล้วรู้สึกว่าเอออยู่ได้แต่ว่ายิ่งความเพลิดเพลินตอนนี้มันเป็นความรู้สึกตัวธรรมดาธรรมดาจืดๆตรงนี้มันจะรู้ซื่อๆรู้แล้วไม่ปรงุงรู้เฉยๆเมื่อก่อนมันรู้แล้วมันเข้าไปมันรู้แล้วมันเซ่อรู้แล้วมันโง่มันเข้าไปไปยึดไปถือ แต่เดนนี้มันรู้แล้วมันปล่อยแล้วมมันวางในตัวก็มันไปเจ็บไปเพราะว่าความเป็นปกติมันสมดุลมีเอียงซ้ายมีเอียงขวาไม่ไปหน้าไม่ไปหลังมันไม่ได้อยู่ไม่ได้สู้ไม่ได้ต่อ้กับอะไรตรงนั้นน่ะมันจึงเป็นอิสระภาพมันเบากายเบาใจเบาเนื้อเบาตัวปลอดโปร่งโล่งสบายผ่องใสใสทั้งในใสทั้งนอกน่ะนะเมื่อปฏิบัติถูกต้องได้ลมเนีนผ่องใสสีหน้าท่าทางนู่องใสทีเดียวมีกําลังใจขึ้น เพราะข้างในมันใส่มันสบายตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องของใครของเราที่ต้องน้อมเข้ามาใส่ตัวเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราสวดกันน้าโมตัสระเพระว่โตระโตสัมมาสัมพุทธะน้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วต่างคน ต, งต่างต้องทําเอาเองด้วยก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่เราสวดอีกตุมเหหิ จ, จังอัตปังอาขาตาโลตถาคตาปฏิปันนาะปโมขันติชายิโนมาละพันธนาท่านทั้ ง, งหลายต้องทําความเพียรด้วยตัวของตัวเอง ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกผู้มีปกติเพียงปีนิดจะพ้นจากบ่วงแห่งมนันอย่างนี้นนะมันก็จะมีอยู่ลักษณะของใจกับกายนี่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนแต่การที่จะได้พบกับกายกับใจของเราจริงๆก็ต้องสํารวมระมัดระวังนิดนึงไม่ดูได้ก็ไม่ ด, ไมไดูไม่ฟังได้ก็ไม่ฟังไม่ส่งจิตออกนอกหรือแค่เนะคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกเห็นกายเคลื่อนไหว เห็นใจที่มันเคลื่อนไหวรู้สึกเหมือนกันนมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งมันมีอารมณ์จรไปจอนมาเกิดดับเกิดดับทียิบตัวนี้ย น, นะนามันก็จะเป็นตาในของใครของเราที่สอดส่องทำาปในตัวเราเห็นทำที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงและเกี่ยวข้องถูกต้องปฏิบัติใหม่ๆจะมีการเก็บกดหน่อยเก็บกดเพลงจ้องจี้นะหรือว่ามีการกดเกลื่อนะ พอไม่เพ่งช่องจี้ก็เผลอไปกับรู้ลดกลินเสียงปุถะปาธรรมารมณ์อย่างนั้นรู้ว่ามีอาการกล่อมตัวเองนิดปฏิบัติธรรมมันจะดีมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ทำมมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นจนกระทั่งมันปฏิบัติไปแล้วก็วางจิตวางใจถูกต้องวางกายถูกต้องเกิดจากการลองผิดลองถูกแล้วก็เห็นว่าตรงไหนที่มันเป็นปกติมันปลอดภัยจิตจะรู้กับมันเองมันจะฉลาดกับมันเองเพราะมันจะเกิดความเป็นกลางขึ้นมา เกิดความยุติธรรมด้วยไหมมันจะเกิดความยุติธรรมขึ้นมาจนกระทั่งมันเห็นอาการตามความเป็นจริงเห็นโลกตามความเป็นจริงแล้วกเกี่ยวข้องกับอาการเหล่านั้นอย่างถูกต้องบางอย่างต้องผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขบางอย่างนี่กลับมาทันทีรู้สึกตัวทันทีแก้ได้ทันทีเนี่ยเพราะความคิดอย่างนั้นนะเราก็จะได้คําตอบด้วยตัวของตัวเราเองเพราะฉะฉนั้นกุญแจดอกเอ๋ก็คือความรู้สึกตัวนะ ไขปัญหาได้ทั้งหมดเรื่อหาสอนเรื่องบุญเรื่องบาปก็ไขด้วยความรู้สึกตัวมันชี้เรื่องทุกข์ออกจากทุ ก, ก ข, กขก์ก็ไขด้วยความรู้สึกตัวมันเป็นเรื่องของมรรคผลนิพพานก็ไขด้วยความรู้ตึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวนี่แหละเราก็จึงไม่ต้องไปทําอย่างอื่นกันทําเรื่องเดียวนี่นลงมือทํารูปแบบปฏิบัติทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบก็ได้จนกระทั่งเหมือนกับว่ามันเกิดธรรมะขึ้นมาเกิดธรรมชาติ ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบือนเบียนผู้อื่นทางกายวาจาแล้วก็จิตใจต่อไปเมื่อจะเกิดสันที่สุขสันทิภาพขึ้นมาเนะี่ยเพราะนั้นในท้ายสุดนี้นะีพวกเรานะทางบรรษานี้บางคนบางท่านเราก็แต่งเครื่องแบบนักเรียนในเครื่องแบบกันมาเรียนรู้วิชากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมีความรู้เนื้อรู้ตัวนะบางคนบางท่านก็แต่งชุดนักเรียนในเครื่องแบบนะถือสีหนถือสีแปด เราก็จะมาเรียนวิชาเดียวกันก็คือมีความรู้สึกตัวเป็นกรรมฐานที่เป็นวิปัสนากรรมฐานที่ตั้งของการกระทําก็คือสภาวะของผู้ดูดูแลเห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นในสภาวะทำต่างๆจนกระทั่งเหมือนกับว่าที่พวกเราเรามีแต่ความผาสุกเจริญรุ่งเรืองก็ขอให้ธรรมะสมควรแก่การปฏิบัติได้ปรากฏยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งภัญญาจนกระทั่งทำที่สุดแห่งกองทุกสําเร็จ ในพยัญชาตินี้โดยตัวนักกันทุกท่านทุกรูปทุกนามเธอกลับภาพร้อมกัน